พุทสวัสดีค่ะท่านฟังที่รบคะวันนี้เป็นวันสำคัญของพระพุทธศ า, าสนาตรงวันเลยนะคะนั่นก็คือวันวิสาขบูชาเช้าวันนี้ไปจนกระทั่งจบวันละค่ะก็คงจะมีกิจกรรมที่ยิ่งยวดในทางปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาโอกาสประสูติกระสรู้และปรินิพานของ พระศาสดาของเรานะคะสมเด็จพระอรหันตระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะโดยการนี้สันนิษฐานดิฉันสันนากนันอเป็นประจำกับพระมหาพัยบุญอภิปุณโนผู้อํานวยการหลักสูตรเรียนวัดป่าดอนหายโสดอุดรธานีนะคะท่านจะนําพวกเราปฏิบัติธรรมวันนี้ตั้งใจกันนะคะเพราะว่าจะได้ถือโอกาสถวายเป็นพุทธบูชาของพระพุทธเจ้า ซึ่จริงๆเราก็ถวายกันทุกวันแต่เพื่อให้บางท่านบอกว่าวันอื่นก็ไม่รู้สึกอะไรมากแต่วันนี้แหมตั้งใจทําจริงๆเลยจะปฏิบัติทั้งวันเรามาเริ่มต้นด้วยกันในนาทีต่อจากนี้ไปนะคะเมื่อไปกราบนมัสการาท่านเพบรุ่นแล้วนมัสการกท่านคะเดิมบอนในวันสําคัญอย่างนี้เรามาปฏิบัติบูชาท่านพระบูชา บ, าบอกว่าการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมด้วยสิ่งอะไรต่างๆที่เป็นอามิดเนี่ย แต่ยังไม่ใช่การบูชาที่สูงสุดแต่การบูชาที่สูงสุดนั้นก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะฉะนั้นในวันพิเศษนี้เรามาปฏิบัติทํากันในเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยวิธีการนั้นก็คือธรรมะหมวดแรกเลยที่ท่านได้ระลึกถึงนึกถึงคิดถึงหลังจากที่ท่านบรรลุสมมาสัมโพธิญาณธรรมะหมวดแรกนั้นก็คือสติปตัฏฐานเป็นหมวดธรรมะอันแรกที่ท่านได้คิดถึง เกิดขึ้นณก่อนที่จะไปเทศสอนใครที่ภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นนสติปติฐานในที่นี้เราจะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรวิธีการแรกอันหนึ่งที่พระบรุรเจาได้รวบรวมสอนไว้ในวรรษต่างๆอื่นๆเนี่ยท่านจะยกเรื่องของพุทธานุสติขึ้นมาซะก่อนพุทธานุสตินั้นก็คือการที่ให้เรามาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าการที่จะมาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านั้น เราจะทำยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เคยเห็นรูปหน้าตาของท่านอาจจะมีที่เขาวาดเป็นรูปทำเป็นพระพุทธรูปปั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ละที่แต่ละแห่งก็แตกต่างกันไปตามสถาปัตยกรรมแต่ละสมัยเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเอสเราจะเอาอันไหนเรากลับมาดูที่ตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาจะระลึกถึงท่านเนี่ยให้ทาอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาจะระลึกถึงพระองค์เนี่ย ให้ระลึกถึงการตรัสรู้ของพระองค์นั่นคือถ้าเราพูดถึงตัวของพระพุทธเจ้านัที่มีแขนขาหน้าศีรษะพวกเนี้ยอันนี้คือเป็นธาตุสี่เฉยๆพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้น น, blanc. น, blanc. น, blanc. นั่นคือตรงนั้นเป็นแค่ธาตุเป็นแค่ธาตุสี่ในน้ำไฟลมไม่ได้เป็นความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นคืออยู่ที่จิตของท่านจิตที่มีมสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นนัสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้เกิดกินติกาย แต่เกิดขึ้นที่จิตดวงไหนดวงที่มีความเป็นสัมมาสัมพุทโธดวงนั้นเนี่ยเราระลึกถึงคุณธรรมในจิตที่ท่านเป็นอย่างนี้นบทเพย์ชนะนนที่พระบุตรเจ้าให้ระลึกถึงก็คือระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระบุตรเจ้านี้เป็นผู้ที่ตรัสรู้เป็นอนุตรสัมมาสัมพุทธิยาณมีสัมมาสัมพุทโธเกิดขึ้นคมพุทโธนี้นเรามานึกถึงคำนี้คำพุทโธเนี่ย มีคุณอยู่หลายอย่างคุณคือพุโทโธน่นคือผู้ที่รู้รู้อะไรในการที่เรามานึกถึงพุโทโธคือการรู้เนี่ยคือรู้ตามที่เป็นจริงในเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดมากระทบปุ้งเห็นตามจริงแล้วว่าอ๋อสิ่งนี้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองโดดเดี่ยวถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอัตตาอันนี้คือยังไม่มีพุโทโธแต่ถ้าเราเห็นว่ามันมีอนัตตา มีความไม่เที่ยงอา น, นิจิตเริ่มมีพุโทโธเกิดขึ้นนั่เราระลึกถึงคุณธรรมตรงนี้นี่ก็มีพุโทโธอยู่ในใจของเราหรือเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยความที่ท่านเป็นพักวานนั่นพักวานี่คือความที่เป็นผู้มีการชำนาญในการจำแนกแจกธรรมรู้แยกแยกแจกแจงส่วนต่างๆของธรรมะได้ว่าธรรมะหมดนี้แยกเป็นอย่างนี้อริยะสัจสีมีสีแบบในแบบแรกทุกขะนี้ เป็นขันห้าขันห้ามีห้าอย่างในรูปที่เป็นอันแรกนี้ยาเป็น4ี่อย่างแต่ท่านมีความจานานในการแยกแยะแจกตามนี้นี่ก็เป็นพักขวา้าเดี๋ยวไดว่าระลึกถึงความที่ท่านนั้นเป็นอรหันต์แต่กรรมอรหันต์นี่ก็คือหมายถึงผู้ที่ใกล้จากกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วไม่ได้อยู่ที่จะมาใกล้จิตของท่านได้ไกลกันออกไปเป็นผู้ที่ไม่มีการทําบาปในที่ลับเป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญ เป็นผู้ที่จะไม่ชักชวนคนอื่นในการทําชั่วมีคุณข้อนี้เราลึกถึงคุณข้อต่างๆเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีสติขึ้นละมีความคิดนึกอยู่ก็จริงแต่มีสติแน่นอนเพราะว่าไม่ได้เป็นความคิดนึกที่ไปนในทางการพยาบาทเบียดเบียนบางคนอาจจะอาศัยเรื่องหมายอื่นๆในการที่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นบางคนเห็นต้นโพจิตใจก็ไปถึงพระองค์ละบางคนเห็น หน้าบันของวัดเห็นพระพุทธรูปบางคนนอกจากตาเห็นแล้วใจในใจยังคิดถึงก็ว่าพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่จะให้จิตของเรานั้นเนี่ยไปนึกถึงการตรัสรู้ของตันไดจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้อาจจะใช้นิมิตเครื่องหมายอะไรก็ได้ที่จะทาให้จิตของเรานั้นน้อมไปในทางนี้เวลาที่เรามีพุทโธอยู่ในใจเนี่ยมันจะไม่กล้าทําบาปแต่มันจะมีฮิริโอตรปะประมันจะมีความเพียรมีศรัทธาอยู่ ใจใจที่เป็นแบบนี้เป็นปุตรีวายอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแน่นอนเหมือนกับอยู่ติดชายสังกติท่านเลยลท่านแม้ถึงแม้ว่าเจอบาลีนิพานไปตั้งหลายพันปีแล้วเที่นู่นด้วยไกลกันทั้งสถานที่ที่อินเดียนีย่แต่การที่เราประดิษฐ์ถานพระพุทธเจ้าวไว้ในใจของเรานี่ยคือเหมือนกับเรามีพุทโธอยู่ใกล้ๆเราเลยทีเดียวอยู่ใ น, ในใจของเราทีเดียวเนะีซึ่งในวันสําคัญอย่างนี้ให้เราตั้งพุทโธนี้ไว้ใน ใ, นใจนะตลอดทั้งวัน จากนี้ไปไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดียวเพื่อให้เราเป็นการปฏิบัติบูบบชาพระบูชาได้เพื่อนคําว่าตั้งพุโทโธในที่นี้นี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องภาวนาคำว่าพุโทโธด้วยเพียงแต่ระลึกถึงอย่างนั้นก็ได้ด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องนคือคือคำว่าพุโทโธคานี้เนี่ยนะก็เป็นเครื่องหมายอันหนึ่งแต่บางคนอาจจะอาศัยเครื่องหมายนี้ ในการที่จะให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้านต่มันก็อาจจะอาศัยต้นโพนะให้เห็นบางคอาจจะอาศัยพระพุทธรูปไม่ว่าจะอาศัยอะไรก็แล้วแต่แตถ้าจิตคุณมีพุทธโธอยู่อันนี้คือถูกต้องนะค <Okay, S 1> ะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วในส่วนของการระลึกถึงพระพุทธองค์ในแง่ที่ว่าถ้าเรายังเป็นเป็นคนอยู่เนี่ยอย่าเชใช้คำเนี้ยนะคะก็คือจะต้องอยู่ในระบบของขันห้า ที่จะต้องมีสัญญามีการหมายรู้มีการจําได้อย่างเงี้ยนะคะการระลึกถึงอย่างนี้จัดได้ว่าเป็นสัญญาอย่างนั้นด้วยไหมค ะ, ะการระลึกถึงสติเนี่ยในมรรคแปดทั้งหมดเลยนะมรรคแปดทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าจัดไว้เป็นเป็นสังคตธรรมเป็นสังคตธรรมซึ่งในสังขารทั้งหมดเนี่ยก็มีสัญญาอยู่ด้วยค่ะเออที่ข้อพายนะคะที่พูดให้ชัดเองนิดนึง ในส่วนของการที่ระลึกถึงพระพุทธองค์เพื่อที่จะทำให้เราตั้งสติขึ้นได้อย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนี้ในส่วนของการระลึกนี้จัดว่าเป็นสัญญาไหมคะถูก ต, ต้องถูก ต, ต้องเป็นสัญญาแต่ไม่ใช่สัญญาที่หมายถึงในขันห้าอ๋อค่ะอ่าไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าสัญญาในขันห้าเนี่ยกิจที่ควรทํานั้นคือการเข้าไปศึกษาไปรอบรู้มันว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร แต่ถ้า<ช>ส่วนที่เป็นพุทธานุสติเช่นเรามาเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติอันนี้เป็นสัญญาแน่นอนแต่เป็นสัญญาที่อยู่ในมรรค<ช>บางทีนนะเป็นสัญญาที่อยู่ในมรรค<ช>เพราะว่ากิจที่ควรทํามันคนละอย่างกันไงมรรคเนี่ย<ช>มันต้องทําให้มากๆคุณไม่มีคุณต้องศึกษาคุณไม่รู้คุณต้องเรียนถ้าคุณไม่มีสัญญานี้คุณต้องฝึกนะเช่นอานิจจสัญญาอนัตตสัญญามรณาสัญญาพวกนี้เป็นสัญญาหมดเลย<ช>แต่ว่าเป็นสัญญาที่ต้องทําให้มากๆ แต่มันะจะไม่เหมือนกับสัญญาในขันหน้าที่พร ะ, ระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอันนี้ต้องแบบรอบรู้รู้แล้วก็ละมันอย่างเงี้ยนะค่ะท่านคะ<ม>ถ้าเช่นนั้นระบุไปได้ไหมคะว่าในมัชเนี่ย<ม>สัญญาดังกล่าวเนี้อยู่ตรงไหนหรือว่าอยู่โดยรอบไปหมดเลยอ่าในมัชนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในสมาสังกปะแต่อยังเราคิดนึกความคิดที่ไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาติเบียดเบียนแน่นอนค่ะนะแล้วก็การที่เรามา แต่ถ้าจะพูดแล้วคือมันมันอยู่ในอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยนะคือเพราะว่าอย่างสมมุติเราจะรู้ได้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยความรู้ความเห็นตรงนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในตัวมันอะอย่างอย่างเรารู้ว่าไอ้วันนี้เป็นวันสําคัญนะฉันควรจะทําดีนะฉันควรจะรักษาศีลให้มันดีแค่ตรงนี้คุณมีสัมมาทิฏฐิละแล้วคุณก็ทําใช่ไหมคุณก็มีสัมมาสังกปปะด้วยแนี่คุณทําวาจาด้วยคุณทํากายด้วยก็มีสัมมาวาจาสัมมากัรมันตะด้วยอ่าเราทํายังไงเนี่ย ก็ตั้งสติขึ้นเอาสติยังไงก็เป็นพุทธานวุสตินี่แหละก็อยู่ตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะค่ะก็เท่ากับว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่าทีนี้ในส่วนของคําถามนะท่านคะเจริบาลวันนี้จะเป็นคําถามของคุณปัญญาวงพาณิชย์ก็เรายกคำถามในรายการนี้บอกว่าฟังอยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะคะเจริบาลเกี่ยวกับได้ยินเกี่ยวกับการเปิดคอร์สปฏิบัติธรรม ขอที่วัดเนี่ยศรัทธาเป็นอย่างมากก็อยากจะบริจาคให้ทางวัดประจำเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมก็ขอให้ท่านได้อนุเคราะห์ชี้แนะช่องทางที่จะสามารถติดต่อเพื่อการนี้ได้คื อ, อ น, นี้ก็สามารถไปดูที่เว็บไซต์ของวัดได้คือช่องทางถามคําถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาเนี่ยคือที่เพียวธรรมะ .com และในเพียวธรรมะ .com เนี่ยจะไม่ได้มีช่องทางที่บอกเรื่องการบริจาคอะไรแต่ถ้าต้องการจะดูข้อมูลตรงนี้เกี่ยวกับเลขบัญชีอะไรต่างๆก็ไปดูที่เว็บไซต์ของวัด นึ่คือ wpdhjs.org แต่ wp นี้ก็ยอมาจากวัดป่า dhjs นี่ก็ดนหายโศก .org ที่นั่นในหน้าติดต่อหรือเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขบัญชีต่างๆใช้บัญชีไหนอะไรยังไงจะมีรายละเอียดที่นั่นนะคะก็เผื่อท่านอื่นสงสัยก็โดยสารคำถามของท่านปัญญาวงพานี้ไปด้วยกันเลยเช่นเดียวกันนะคะคำถามของคุณปัญญาเนี่ยก็มีความน่าสนใจ มีมาหลายคำถามบอกขออนุญาตใช้โอกาสนี้แหละสอบถามปัญหาการทำงานปัจจุบันคุณปัญญาเป็นพนัก ง, งานบริษัทงานที่ทำต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เป็นอย่างมากและมีแรงกดดันในองค์กรเป็นอย่างสูงคำถามมีดังนี้ค่ะหนึ่งเราควรทุ่มเทการงานแค่ไหนเช่นระยะเวลาการทำงานการนำงานกลับมาทำที่บ้านเป็นต้นจึงจะเรียกว่าได้ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า โดยที่เรายังถือได้ว่าเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทโอเคอันนี้เรื่องการทุ่มเทการทํางานอันนี้เป็นหมวดตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อยู่ในหมวดที่เรียกว่าอุทานาสัมปทาคือการขยันขันแข็งอย่างสม่ําเสมอนะคือเป็นหนึ่งในธรรมะสี่ข้อเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สุขในปัจจุบันอุทานาเนี่ยเป็นคําภาษาบาลีที่หมายถึงว่าลุกขึ้นทําการงานขยันขันแข็งเลยถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับ เล่นฟุตบอลอย่างงี้นะแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยโอ้ยก็เป็นตัวสำรองอยู่ชั่วหน้าตาปีสุดท้ายเขาเรียกตัวสำรองลงเนี่ยคุณยมติวลองคิดดูเรียกตัวสำรองลงเนี่ยตัวสำรองนี่รีบลุกขึ้นอย่างช น, นิดที่เรียกว่าดีใจมากๆเลยเนี่ยการลุกขึ้นของตัวสำรองเนี่ยเป็นลักษณะแบบอุทานะขึ้นเลยคือแบบลุกขึ้นไปทําการงานเต็มที่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคำเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้เพื่อที่จะอธิบายว่าคุณต้องทํางานอย่างขยันกันแข็ง การทำงานอย่างขยันขันแข็งในที่นี้ก็คือจะทำเองก็ได้หรือว่าจัดการงานให้กระทำก็ได้ทำงานอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีข้อผิดพลาดทำงานอย่างดีเนาะอันนี้คืออุ ธ, ธานะสัมปท า, าถามว่าดีเนี่ดีขนาดไหนดียังไงเนะี่ที่คุณปัญญาตามาในที่นี้ก็มาดูในเรื่องของทิศทั้งหกที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานบนะับพุระเจ้ามีข้อปฏิบัติให เกี่ยวกับการทํางานอย่างนี้คือ 1. น่งนะไปถึงที่ทํางานก่อนเจ้านาย2นะเลิกงานทีหลังนายนะนายยังไม่กลับบ้านในวันเย็นเพิ่งกลับนะสามาก็ถือเอาแต่ของที่นายให้4นะนําเกียรติคุณของนายไปล่ํำลือแล้วก็ 5. ทําทงานทําการงานอย่างดีที่สุดนะมี5ขอ้อนี้อยู่ในเรื่องของที่ตั้ง6เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราทําการงานอย่างดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราต้องไม่ผิดจากมาร์กนะ เพราะฉะนั้นที่คุณปัญญาบอกว่ามีความกดดันในองค์กรอย่างสูงเนี่ยก็อย่าทําให้มันถึงขนาดว่ากดดันมากจกนกระทั่งคุณเป็นมิจฉาสังกปะหรือกดดันมากจกนต้องเริ่มด่าคนเป็นมิจฉาวาจาอันนั้นแสดงว่ามันมันไม่ถูกแล้วมันไม่ดีแล้วเราก็จะต้องทําในลักษณะที่ว่าจะทํางานมากหรือทํางานน้อยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะทําให้เรารักษาสัมมาสังกปะหรือรักษาสัมมาวาจาได้หรือไม่แต่บางคนทํางานก็น้อย ก็ไม่ได้ทำงานมากแต่เป็นคนบน่นเป็นคนนินทาเขาเอาเรื่องนี้มาบอกคนนั่นอันนี้ก็เป็นมิจฉาวาจาขนาดทำงานน้อยก็ยังคิดไม่ดีกับคนอื่นอันนี้มันต้องแก้ที่จิตของเราล ะ, ะทีนี้ถ้าบอกว่าเราทำจิตของเราได้ดีจะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันขนาดไหนเนี่ยใจเราจะสบายไงก็จะอยู่ในมักรได้ยางงี้อันนี้บอกว่าให้ใช้หลักธรรมอุทนาสัมปทา พระพุทธองค์ตรัสให้ทํางานอย่างขยันขันแข็ง<ช>ประกอบกับเรื่องที่ถกที่<ม>ว่าให้ถึงที่ทํา ง, งานก่อนเจ้านายเลิกงานทีหลังนาย<ม>ถือเอาแต่ของที่นายให้เอาเกียติคุณของนายไปร่ำลือ<ม>และทํางานอย่างขยันขันแข็งใ<ช>ออย่าให้เป็นมิจฉามักษ อ, อย่าให้เกิดมิจฉามักษ<ม>ดิฉันสงสัยนิดหนงงึ่งคะ่ะ<ม>ท่านคะในเรื่องของอาการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ที่คนนิยมยกเอามามากๆเลยแล้วบอกว่าสําคัญมากสิต้องเอาเรื่องนี้เพราะพระพุทธรสรู้กลบก็เพราะได้พบว่าต้องทานสายกลางมัชชิมาปฏิปทาดังนั้นก็ไม่ต้องทํามากไม่ต้องทําน้อยทํามันกลางกลาง อ, อันนี้เข้าใจผิดไง <c oughs> เข้าใจไม่ถูกอ <Okay. S 2> เพราะว่าในเรื่องการทํางานต้องขยันขันแข็งนคำว่าคำว่าทำกลางกลางในที่นี้ที่พระพุทเจ้าใช้คําว่ามัชชิมา่ยในที่นี่ยก็หมายความว่า มันเหมาะสมดีงามคือถ้าเหมาะสมดีงามในลักษณะที่คุณต้องขยันเคือไม่ใช่ว่าขี้เกียจก็จะไหมถ้ามีขี้เกียจแสดงว่าคุณออกนอกหมากแล้วคุณไม่มัชชิมาแล้วเพราะว่าความขี้เกียจ ม, มันเป็นสนิมที่กัดกินอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องขยันความขยันดีไหมดีในขยันแต่ถ้ามันขยันแล้วเริ่มด่าคนอื่นเริ่มเครียดอันนั้นไม่ถูกเพราะนั้นบางทีเราทํามากตรงเนี้พระพุทธเจ้าจึง เตือนมาว่าถ้าเพียรมากเกินไปมันจะเป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านนะอันนี้ไม่ดีละแต่ถ้าเพียร น, น้อยเกินไปก็จะเป็นไปเพื่อความเกียดกระอ้นอันนี้ก็ไม่ถูกละนะเราจึงจะต้องดูตรงนี้ให้ดีนะให้มันเหมาะสมเนะื่องจากนี้ประเด็นก็คือวาอ่าเรื่องภายนอกนี่ก็ส่วนหนึ่งไงเรื่องภายในก็ส่วนหนึ่งเรื่องภายนอกก็อย่างที่จะมาว่าว่าไอ้คนนี้ก็ไม่ได้ทํางานมากนะแล้วทาไมยังมีมิจฉามั่วอยู่ยังด่าเขานินทาบนนั่นนี่คิดไม่ดี ทั้งนั้นที่ขี้เกียจด้วยนะคนนี้ไม่ได้ทําากรงานอะไรมากเนี่ยแต่แ <Okay. S 1> ม้หล่ะเขายังผิดมักรได้เนี่ยอันนี้มันจึงต้องแก้ที่จิตไงแก้ที่จิตด้วยเรื่องของภายนอกนี่ก็ส่วนหนึ่งเรื่องของจิตนี่เราก็ทําส่วนหนึ่ง ต, ต้องเอาทําไปสังเคราะห์ให้ถูกแล้วก็ต้องเข้าใจทําให้ถูกด้วยและอีกรประเด็นหนึ่งที่คุณปัญญาพูดในที่นี้คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ <Okay. S 1> แต่คนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากมเนี่ยคุณโยมเติวตมาว่าถ้าทํางานอยู่ในความเครียดเนี่ยนะ มันคิดอะไรไม่ออกไงความเครียดนี่คือลักษณะที่นิวรณ์ใช่ไหมพอมีนิวรณ์แล้วสมาธิไม่มีพอสมาธิไม่มีคุณจะคิดสร้างสรรค์อะไรขึ้นมามันจะยากมากมันมันจะไม่ได้มันจะตันมันจะอึดอัดมันจะคิดไม่ออกมันจะเป็นความเครียดไปคือความเครียดนี่คือเรื่องของนิวรณ์อยู่ละทีนี้เราจะให้จิตของเราแหมมีความคิดสร้างสรรค์ปรุงแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาได้เนี่ยความเครียดต้องไม่มีเนี่ยจะไม่มีความเครียดได้นิวรณ์ต้องไม่มีจะไม่มีนิวรณ์ได้จิตต้องเป็นสมาธิ ดังนันการที่เราจะจะเป็นสมาธิได้คุณนักษาสีนได้ดีมีการคิดพูดทํามาในทางที่ถูกต้องอจิตจะเป็นสมาธินะเราอยู่ในมรรคจิตเป็นสมาธิแล้วคิดอ่านการงานได้เข้าคล่องมีความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาประสิทธิภาพการทํางานยิ่งสูงขึ้นนะอันนี้มันถึงจะเป็นการกระทำที่เป็นในทางมรรคประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้นชั่วโมงทํางานอาจจะมากหรือน้อยเราก็บริหารจัดการให้มันถูกต้องนั่นเองค่ะก็หาความพอดีนะคะ คำถามที่สองค่ะนักชื่นชมมากเลยนะคะคุณปัญญาบอกว่ากระผมได้นําหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน mm hmm. เช่นการรู้ตัวถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย mm hmm. จิตอธิษฐานการงานส่วนการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ mm hmm. บางช่วงทําทุกวันบังช่วงก็เก็บคร้าน mm hmm. ไม่ได้ปฏิบัติเลย mm hmm. ถึงแม้ว่าจะมีธรรมะประจําใจและเป็นเครื่องระลึกอยู่บ้างอย่างไรก็ตามความทุกข์ได้แก่ความรู้สึกเครียดความกังวลจิตฟุ้งซ่านการนอนไม่หลับ ก็ยังคงคอยรบกวนจิตใจอยู่เป็นประจำเป็นระยะระยะค่ะพระอาจารย์พอจะมีคําแนะนําหรือข้อทำใดที่จะมาช่วยบรรเทาความทุกข์ของกระผมในสถานการณ์เช่นนี้ครับโอเคคุณบัญญานี่เขาอธิบายดีนะมาว่าคือคือเขาอธิบายถึงความเป็นเหตุเป็นผลในในเรื่องของเขาคือคำตอบอยู่ในคําถามที่เขาถามนั่นเองค่ะ <c oughs> อาม า, ารย์ตั้งยกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างไว้เปรียบด้วยช่างเจริญนช่างอั ญ, ญมณีช่างพลอยคุณหยูติวช่างช่างพลอยเนี่ย คือสมมติเราได้พลอยมาก้อนหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นพลอยโกเม็ดบุษราคมหรืออะไรพวกนี้ยคุณจะทำให้มันมีสีสันขึ้นมาก็ต้องไปผ่านความร้อนผ่านการอบในด้วยอุณหภูมิตามเทคนิคของช่างพลอยเขาทำแต่ถ้าเป็นเพชรเอาไปอบไม่ได้ก็ต้องดิบๆเดิมๆมันอย่างนั้นใช่ไหมดังนี้ขั้นตอนต่อมาเนี่ยเขาจะต้องเอามาเจรไนเอามาเจรไนถามคุณโยมติ๋วยังไงว่าถ้าช่างเจรไนเนี่ยนะเขาเอามาเจรไนแล้วเขาก็เจรไนสักสาด้านสมมุติว่า สด้านมันต้องทำสีด้านใช่ไหมไอ้ด้านที่สี่เนี่ยเขาไม่ทําทำแค่สามด้านพอถามว่าอั ญ, ญมณีเม็ดนั้นนี่ยมันจะสวยไหมไม่สวยไม่สวยแน่นอนเพราะว่าแหมมันต่อให้ด้านนั้นมันก็รับแสงไม่ได้สะท้อนแสงไม่ได้มันก็จะดูไม่สวยไปต่อให้อีกถึงสมด้านมันดีก็ตามเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแหละเหมือนกันการกระทําของช่งางเจรไนเนี่ยพระบรุตรช่าบอกว่าเขาทําอย่างดีเลยเนี่ยนะการกระทําอย่างดีตรงนเนี้ยเนี่ยให้ออกมาเป็นเพชรพลอยที่สวยเนี่ยเปรียบเทียบกับ ช่างเจดายนะเปรียบเทียบกับสาวกของพระพุทธเจ้าเพชศพลอยนั้นเปรียบเทียบกับมรรคแการกระทําของช่างเจียที่เขาเจียเนี่ยคือการภาวนาการกระทําตรงนี้ของเราก็เรียกว่าบริกรรมการทําบริกรรมคือการทําให้มันละเอียดการทําให้มันรอบครอบการทำให้มันสม่ําเสมอการทําให้ต่อเนื่องการทําให้ดีการกระทําตรงนี้เปรียบเทียบกับการภาวนาคือการพัฒนาจิตของเราเพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามเนี่ยอยู่ในคําถามของคุณปัญญานั่นแหละ ก็บางช่วงขี้เกียจใช่ไหมไม่ได้ทําเลยนะบางช่วงก็ทําบางช่วงทําทั้งวันบางช่วงไม่ได้ทําก็ทําแบบไม่ต่อเนื่องไงคือไม่ได้ทําแบบให้มันเป็นภาวนาเป็นการพัฒนาให้มันเต็มที่เหมือนกับช่างเจรนายเขาไม่ได้เจียทุกด้านแล้วเขาก็หวังว่าไอ้เพชรเม็ดเนี่ยมันจะสวยเนี่ยมันไม่ได้เรากําลังจเจริญมากคแปดแต่เราก็ทําบ้างไม่ทําบ้างแล้วหวังว่าเราจะจิตไม่ฟุง้งซ่านเราจะจิตสงบมันจะไปเป็นได้ไงมันก็ไม่ได้ เข้าใจนะอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระเจ้าเปรียบเทียบไว้ไม่ใช่แค่นี้ยังรวมถึงเรื่องของช่างทองที่เขาหลอมทองคาออกมาให้มันบริสุทธิ์ช่างไม้เขาแกะสลักไม้ช่งางช่างเรือชาวเรือเนี่ยเขาเอาต้นไม้มาขุดเป็น เ, เป็นเรือขุดนะไปทําหรือว่าพ่อครัวปรุงอาหารมีหลายอย่างที่พระเจ้ายกเปรียบเทียบมาว่าการกระทําของช่างต่างๆต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาทําบริการออกมาอย่างดี แต่บริกาออกมากอันนี้เป็นอุปมาประไม้นะเพื่อเปรียบเทียบกับมาร์กคุณต้องทํามาร์กแบเนี่ยให้มันเจริญทําเจริญนั้นทํายังไงก็เหมือนที่ช่างเขาทาบริกรรมก็คือเราก็ทํามาทำบ่อยๆทําให้มันต่อเนื่องทําให้มันติดต่อทําให้มันไม่ขาดสายทําให้มันอยู่อย่างในทุกด้านไม่ใช่เฉพาะตอนที่มาวัดแต่อยู่บ้านด้วยไม่ใช่เฉพาะตอนที่ไม่ทํางานแต่ก็ตอนที่ทํางานอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะตอนหลับตาแต่ตอนลืมตาด้วยอันนี้คือไม่ใช่ว่า ให้เครียดนะแต่ว่าฝึกให้มันได้ต่อเนื่องทําทุกด้านอย่างช่างเจริญนายเขาเจริญนายให้ครบทุกด้านอย่างเงี้ยมันก็จะได้ออกมาเป็นของดีไงค่ะอันนี้อันนี้<ช>คือเงี้ยมุมที่คุณปัญญาบอกมาถามเองตอบเองเลยค่ะก็แปล ว, ว่าจะต้องทําให้เป็นภาวนาคือทําบ่อยๆอย่างต่อเนื่องใช่ทำทอยู่เรื่อยๆดิฉันอยากจะทราบว่า พุทธพจน์ที่ตรัสแบบเราอยากจําเนือพุทธเจ้ามีสั้นหรือยาวคะอยากจามาที่ท่านบอกว่าต้องทําไม่เป็นโพนาน อ, อันนี้คืออยู่ในเขาเรียกว่าธรรมจากกับประวัตินาสูตรอยู่แล้วนะอ๋อเหรอคะอยู่ในบทสวดอันแรกเลยธรรมจากกับประวัตินาสูตรส่วนที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องของมรคเนี่ยนะว่าดวงตาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึสสน้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเกิดข<ๆ>ึ้นแกเราว่า มารคคือปฏิปทาที่ทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําให้เจริญอันนี้คือคำแปลนะเป็นสิ่งที่ควรทําให้เจริญเนี<อ>่ยก็จะมี3รอบในในมารคนี้นะใ น, <อ>ในในอริยสัจข้อสุดท้ายตรงนี้ต้องมี3รอบ3มาระคือรู้ว่ามาร์คนี่มันมีอยู่เนะีซึ่งในกรณีนี้คุณปัญญาเนี่ยรู้ละเฮ้ยมันมีทางปฏิบัตินี่นะเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้คือเป็นมาร์คแล้วนะรู้ว่ามันมีอยู่ 2. รู้ว่าเป็นส่วนที่ควรทําให้เจริญ รอบที่2อนี่คุณปัญญาก็รู้แล้วรู้ว่าต้องทําให้เจริญนะต้องทำให้มากจึงก็ไปพยายามทำใช่ไหมแต่ว่าในข้อที่สมที่บอกว่าทำให้เจริญแล้วเนี่ยคือมันยังไม่จุดแล้วไงมันยังต้องมีที่ทําต่อไปเพราะอะไรเพราะบางช่วงก็ขี้เกียจบ้างไม่ได้ปฏิบัติเลยอย่างนี้นะมันก็ยังมีตรงจุดที่ยังโบอยู่ยังพร่องอยู่เอา้าเราก็ไปทําให้มันบ่อยๆเพราะฉะนั้นในสามรอบเนี่ยได้สองรอบแล้วดีมากเลยแล้วก็เหลือรอบที่สามทําให้มันแล้ว ทำให้มันสำเร็จทําให้มันดีเมันบทพยัญชนะตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของธรรมจักรกับปตนสูตรที่ว่ารังการสื้อสวดมนต์ให้จตอนไปปฏิบัติธรรมที่วัดท่านอะไปหาอ่านกันเอาก็แล้วกันนะคะเพราว่อเสิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตบทสวดนี้ก็มีการกดอยู่หลายที่อยู่อืหากูหาให้ได้เลยค่ะบุเกอรนะคะค่ะอคุณปัญญาน่าจะได้แสงสว่าง เพิ่มเติมขึ้นท่านผู้ฟังก็พลอยได้แสงสว่างจากคุณปัญญาเดีงก็ เ, เคยได้ยินพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีชื่อเสียงนะคะท่านก็เคยได้พูดย้ำเลยว่าถ้าเราจะปฏิบัติทำทาสมาธิหรือว่าเดิมมารกหให้เจริญให้ทำตลอดเวลาไม่ใช่ว่าในอิริยาบถ ของการทำสมาธิหรือเดินจงกรมเท่านั้นใช่ใชแล้วก็การทำอยู่อย่างตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่มาวัดเท่านั้นแต่ยังคือบางคนจะคิดว่าชีวิตทางโลกก็อันหนึ่งชีวิตทางธรรมก็อันหนึ่งมันไม่ใช่แต่เพราะว่าจริงๆโลกกับธรรมเนี่ยคือคืออันเดียวกันคืออันเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าจะแยกอย่างนี้คือระบบของโล ก, กระบบของเหนือโลกระบบของโลกคือโล ก, กุตระ โลกียะขอไประบบของโลกคือโลกียะระบบเหนือโลกนี่คือโลกุตระนจะแยกเป็นสองระบบอย่างนี้ในระบบที่เป็นโลกียะเนี่ยคุณก็ต้องมีธรรมะเนื้อธรรมะนี้จะทําให้ไปสู่ระบบเหนือโลกคือโลกุตระได้เพราะฉะนั้นในโลกเนี่ยตรงไหนมีความทุกข์ตรงนั้นต้องมีธรรมะตรงไหนมีผาษาคุณเจอคนใช่ไหมมีภาษาใช่ไหมคุณเจอลูกค้าคุณเจอพ่อแม่คุณเจอญาติคุณเจอเพื่อนใท้องบ้านมีภาษาหมดเลย ตรงนั้นต้องมีธรรมะเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีธรรมะคุณจะเป็นทุกข์มากเลยคุณจะเป็นทุกข์มากเลยตรงนั้นนะ่ะตรงไหนมีทุกข์ตรงนั้นมีธรรมะแน่นอนแ ต, แต่เราหาเจอไหมเราก็ต้องไปหาให้เจอนะค่ะซึ่งคนไปแยกวัดแยกบ้านแยกโลกแยกธรรมดิฉันเห็นเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์จะอ่านแบบกวาดสายตาเร็วๆนะคะาามีด็อกเตอร์หนุ่มคนหนึ่ง ก็บอกสนใจเรื่องพวกนี้ยก็เลยไปเรียนบอกเรียนมาทางนี้ดิฉันก็ไม่ทันจับด้วยนะครับว่าเรียนมาทางไหนแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายสอนเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ต้องใช้สติตลอดเวลาสติทางโลกกับทางธรรมคู่กันไปใช่ต้องเป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> ต, รตรงนี้จึงมีคําหนึ่งที่พระพุทธเจาอธิบายตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะกุยมติว <Okay. S 2> สัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะนี่ไม่ใช่ว่าออาชีพที่คุณทําแม้จะแปลว่ายนั้นก็ใช่อยู่ คืออาชีพคืออาชีวะเนี่ยหมายถึงการดําเนินชีวิตจริยการดําเนินชีวิตในความหมายทางโลกปัจจุบันเนี่ยนะเข้าหมายถึงอาชีพของคุณแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอาชีพที่มีความหมายในความปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าศิลปะศิลปะในการดํารงชีพท่านใจะใช้คำนี้เช่น oh. ประสุสัตว์การเลี้ยงประสุสัต์การเลี้ยงเกษตรกรรมหรือกรเกษตรกรรมใช่ไหมการเป็นข้าราชการทหารหรือพลเรือนการค้าขายพวกนี้ หรือว่าการใช้ศิละปะด้วยมืออย่างใดอย่างหนึ่ ง, ง, งเช่นหมอวิศวะพยาบาลพวกนี้เป็นการใช้ศิละปะของเขาเป็นนักคํานวณการใช้ตัวเลข พ, พวกนี้อันนี้เขาเรียกเป็นศิละปะในการดํารงชีวิตอันนี้คือคุณธรรมา ก, กินว่า ง, งั้นเถอะนะแต่ถ้าถ้าสมมติเราพูดอย่างนี้นะถ้าเราหมายความว่าอาชีวะคือการอาชีพเนี่ยเอางั้นคุณแม่บ้านคุณไม่มีอาชีพอะไรคุณทาไงใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคำว่าสัมมาอาชีวะตรงเนี้คือหมายถึงคุณทําให้มันรอบด้านคุณทําให้มันอยู่ในชีวิตของคุณ่ ในทุกๆด้านในชีวิตของคุณไม่ใช่เฉพาะที่คุณมาวาดัดไม่ได้ว่าแยกโลกแยกธรรมอย่างนี้แต่ว่าในทุกๆด้านที่คุณไปจนกระทั่งให้มันอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเลยตัวนี้จริงใจเขามาสัมมาอาชีวะครับเคงั <Okay. S 2> ้นพระพุทธองค์ทรงอธิบายสัมมาอาชีวะเต็มๆมันว่ายังไงอธิบายว่ า, างี้บอกว่าการเว้นขาจากมิจฉาอาชีวะท่านว่าอย่างนี้ ว้นขาดจากมิจฉาอาชีวะแล้วมิจฉาอาชีวะคืออะไรอ่าใช่ น, นี่คือที่มาในหลักๆที่เราจะเห็นกันนะในพุทธสูตรต่างๆอธิบายส่วนที่เป็นสมาอาชีวะว่าอริยส า, าวกในธรรมะในนี้เว้นขาดจากมิจฉาอาชีวะนี่แหละคือสมาอาชีวะแล้วมิจฉาอาชีวะคืออะไรอันนี้ท่านอธิบายไว้ในธรรมจัตตารีสกัสูตรอะ น, นี้เรื่องมาแปละเอียดเลยพูดถึงมิจฉาอาชีวะเนี่ยก็คือการพูดหลอกลวง การพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยองตกลงการล่อล่ามด้วยลาบการใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากดัะนั้นการกระทําตรงเนี้สามารถเกิดกับแม่บ้านที่ไม่ได้ทําอาชีพอะไรก็ได้ไงสามารถเกิดกับหมอที่เขาทําอาชีพดีๆก็ได้คือหมายความว่ามิจฉาอาชีวะเนี่ยนะคุณมีอาชีพที่สุจริต ก, ก็จริงอะ่ะแต่ว่าถ้าคุณใช้เทคนิควิ ธ, ธีการขายที่แบบเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากคุณก็ผิดมิจฉาอาชีวะทั้งนั้นที่คุณมีอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายไง น, นะ <Okay. S 1> อ่าเพราะนั้นการดําเนินชีวิตของเราให้อยู่ในสัมมาอาชีวะให้มันมีมีธรรมะเข้าไปในมิติทุกมิติของอาชีพของเราของไม่ใช่เฉพาะอาชีพคุณมีอาชีพอะไรคุณก็ทามันนั้นคุณไม่มีอาชีพก็อยู่ในกับเพื่อนข้างบ้านกับตัวเองกับเพื่อนร่วมงานคือบางคนเนี่ยแหมมาวัดอยู่ข้างนอกนี่ดีดีแต่พออยู่กับครอบครัวเนี่ยเป็นคนละเรื่องไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอย่างเงี้ยนะอันนี้ <Okay. S 1> แสดงว่าคุณยังไม่มีสัมมาอาชีวะ แปลว่าถ้าเป็นเดี๋ยวฉันฟังท่านในขณะที่ไม่เพิ่งเข้าใจธรรมมาก่อนท่บอกว่าพวกนี้สองมาตรฐานสองมาตรฐานใช่คือยังไม่ได้ทุกด้านไงเหมือนเพชรที่มันยังเจียรในไม่ครบทุกด้านคืสี่ด้านรับหลังเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมต้องทําแบบเดียวกันแบบเดียวกันถูกต้องให้มีมาร์กเหมือนกันค่ัคือบางคนจะคิดว่าคนดีๆฉันก็ดีด้วยแต่พอคนชั่วมาฉันไม่ดีด้วยนะอ้าวอ้าวอันนี้คือยัง ไม่สมาอาชีวะครับท่านคะด้วยความที่พุทธพจน์เนี่ยอธิบายไว้สั้นๆว่าอ่าเป็นการเว้นขาดจากมิฐาอาชีวะในส่วนของสมาอาชีวะนะคะบางครั้งเราจะมาวิเคราะห์เรื่องของการประกอบอาชีพก็เลยอาจจะมีการไม่ไม่แน่ใจ ม, มีคำถามเพื่อนๆถามกันมาทำนองที่ว่าถ้าขายไส้เดือนให้เข้าไปตกกลานมันเป็นสมมาอาชีวะไหม แต่ว่าไม่ได้พูดหลอกลวงไม่ได้พูดเจ็บใจไม่ได้ล้อลาบโดยลาบตรงไปตรงมาเลยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอาชีวะอย่างที่เราก็ใจแล้วมันไม่ใช่อาชีพนะแต่จะมีหมวดธารมันหนึ่งที่เป็นการค้าขายการค้าขายที่พระพุทธเจ้าให้เว้นเนี่ยคือ1การค้าขายสัตว์เป็นการค้าขายมนุษย์การค้าขายสุราการค้าขายยาพิษและการค้าขายอาวุธห้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดหมวด แต่ว่าไอการขายไส้เดือนยังไม่ตายใช่ไหม <H op> จะเป็นไส้เดือนก็ตามจะเป็นเนื้อสัสตว์ที่ตายแล้วก็ตามก็เป็นอยู่ในอักรณียกิจคือคือกิจที่ไม่ควรทำการค้าขายที่ไม่ควรทำชื่อชื่ออักรณียกิจกหมดธรนี้แหละคะ่หมวดธรรมนี้ชื่อว่าวานิชสูตรหมวดประสูตร์นี้ชื่อว่าวานิชสูตรคือการค้าขายก <H op> ารค้าขายที่เป็นอกรณียกิจคือไม่ควรทาแล้วก็5อย่างที่ว่าการค้าขายที่ควรทา คือการที่ไม่ค้าขายห้าอย่างนี่วะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันจําได้แค่สี่ค่ะ <Okay. S 2> ว่าการ <1 S 2> ข, ขายสัตว์มีชีวิตคขายมีชีวิตสองการค้าขายสัตว์ที่ตายแล้วลคือ <Okay. S 1> คือเนื้อสัตว์ตรงเนี้ยคือคือบางทีท่านแปลมาใช้คําว่ามนุษย์แต่จริงๆหมายถึงว่าสัตว์ที่ตายแล้วค <Okay. S 1> สามการค้าขายสุราคสี่ <Okay. S 1> การค้าขายอาวุธ <Okay. S 1> และห้าการค้าขายยาผิดออ คือจะเห็นได้นะว่าตรงเนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์แต่ว่าเป็นซัพพลายเชนของมันแต่สมมุติว่าเราไม่ได้ฆ่าเองใช่ไหมแต่เราขายสัตว์เป็นให้โรงฆ่าสัตว์อย่างนี้อันนี้คุณไม่ควรทําหรือ ค, คุณไปซื้อเนื้อมาจากตลาดอันนี้คุณไม่ควรทำํำคือคุณเป็นคนซื้อก็เหมือนกับคนขายนั่นแหละออันนี้ดิฉันว่าสําคัญนะคะในส่วนที่จะทําให้คนซึ่งเข้าใจสมาอาชีวะเข้าใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ ว, วคิดถึงเรื่องการประกอบอาชีพที่ทําให้มีเงินทองใช้อ อ, อ, อยู่กินเนี่ยแหละค่ะใช่แต่เขา พ, พูดตรงหมายรวมมากกว่าใช่แล้วไม่งั้นพระเนี่ยจะทํำยังไงก็มีไม่มีมีสมาชีวาไม่ได้ตั้งงั้นใช่ไหมเราไม่ได้ทําอาชีพอะไรแต่พระเนี่ยถ้าสมมุติว่ากับหมู่พวกตัวเองคิดดีแต่พอศาสนาอื่นคนอื่นคิดไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าคุณไม่มีสมาชีวะอย่างนี้เป็นต้อ๋อเหรอคะอาอก็แน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงอาชีพไง แต่หมายถึงการดําเนินชีวิตของเราถ้าพระสงฆ์ภิกษุเนี่ยนะอยากดำเนินชีวิตดีเฉพาะกับหมู่พวกตัวเองกับพระสงฆ์กับาศาสนาพุทธแต่ถ้าคนอื่นก็ดันไปคิดไม่ดีคุณก็ผิดมรรคทันทีคุณก็แบบไปมีความคิดชั่วเป็นมิจฉาสังฆะในาศาสนาอื่นน่ะมันมันไม่ถูกอยู่แล้วไงท่านคะเข้าใจว่าอันนี้จะต้องยกเป็นประเด็นของสังคมแล้วนะคะาาเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนึงคิดว่าความเข้าใจและท่าทีอืมต่อ บุคคลหรือว่าบางทีเป็นนักบวชหรือคำสอนอต่างศาสนาเนี่ยจะมีในลักษณะนี้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นแล้วก็ในเมืองไทยก็มีแล้วก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจกันใช่คิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เราจะมาคุยต่อในตอนต่ อ, ตอไปได้เนาะขอนามัสการขอบพระคุณท่า น, า น, านพระอาจารย์ไผบูรณ์เป็นอย่างยิ่งนะคะนมัสการคะ่ะเดินบาน พระภัยบุญอภิปุญโนนะคะพระมหาภายัยบุญอภิบุญโ น, นะค่ะร่วมในการหลักสูตรเล่นว่าปาดอนไฮโซจังหวัดอุดรธานีดิฉันก็สนทนาเพลินเลยหรือต้องลาท่านฟังแบบสั้นๆในวันวิสาขบูชาวันนี้นะคะเราเริ่มต้นวันกัด้วยการปฏิบัติทําการฟังธรรมให้เข้าใจคําสอนของพระศาสดามากยิ่งขึ้นวันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ทํากันเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ของพระพุทธองค์กันนะคะเรา จะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ส่วนท่านเพบูปนั้นจะพบกับพวกเราตั้งแต่วันจันทร์เลยค่ะดิฉันสันสนีนาคพง์นะคะรายการสันสนีสงทนาสถานีวิทยุครอบครัวค่ะราท่อฟังไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพุกทวดสวัสดีค่ะ